อันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนีุ้่กวันนี้ยิ่งมากมเราได้ผ่านมาแล้วอันตรายข้างนอกก็ไมสําคัญเท่าไรอันตรายข้างในการกระทําผิดการคิดผิดการกระทําผิดการพูดผิดการกระทําผิดทั้งหลายนี้เป็นของที่สําคัญมากดังนั้นพามาสังเกดมันนี้แล้วถ้ารบรมศาสดา ทันสอนทนตั้งเหตในตัวของจะาของว่าเรามีอะไรบ้างไหมเที่าจะควรเปลี่ยนอยราจะเพิ่มต่อไปอีกมีอะไรไหมอันนี้วันจุดสุการมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั้นมันอยู่ที่เรารากฐานมูลฐานทั้งหมดมันอยู่ที่เรา อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่จิตใจของเราสามประการนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดในบุคคลแต่ละคนนี้คุณงามความดีทั้งหลายที่เรียกว่าบุญผุ่นนั้นจากบางเกิดขึ้นในที่สะอาดที่สะอาดที่ไหนบุญเกที่นั่นสะอาดที่ไหนความดีเกิดที่นั่น สะอาจอยู่ที่ไหนความสว่างสวัยความสงบอยู่ที่นั่นนางนั้นความสะอาดแค่ความสกปรกต่างๆนี้ข้าในจะให้ส้วงน้ำการชาระความสกปรกออวันนี้ให้มันสะอาดออออให้มันสะอาดร่างกายเจให้มันสะอาดนี่ิทา น, นวันนี้ทุกกลุม่มทุกหมู่เราระชาช น, นเราต่างๆให้อภัยกัน เดินไปตามสนุนหนทางเดินไปทีนั้นที่ไหนก็ตามเห็นกันแล้วก็วสะศาดน้ําร้างร่างความสุขปรโผล่ออกนั่นแหละให้มันสะอาดหมายที่นันนั้นไม่แช่เล่นกันไปนเฉยเพื่อเป็นการสนุกสนั้นในธรรมะว่าเราพ้นมาแล้วต้นอันตรายมาแล้วตามอันตรายมาแล้วเราเลยมาพบหน้าพบตากันดีอกมีใจไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องดงออก ก็เอาน้าเย็นๆสาสกันให้เรียกให้เย็นอันนั้นเรียกว่าการแสดงออกทางจิตใจเราชาวไทยสิตใจที่เป็นนองกันเมื่อถึงวันตรุษจีนี้ดถือไม่ได้ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะรู้กันก็ตามไม่รู้กันก็ตามเราทั้งหลายจะต้องเสียสละจิีบ้านะ เอาน้ำสะอาดการล้างตาลหมายถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าถ้าเหนือล้างค้องชั่วออกนเองก็จะอิสใจแต่นั้นวันนี้ก็เดี๋ยวล้างสิ่งที่สก ป, ปรกออกใหมันสะอาดสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สก ป, ปรกรร น, น, น, าารนี้มันก็อยู่ยสิ่กายของเราที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่วาจารของเรานี่มันมีอยู่นี้อยู่อิสใจของเราที่มีอยู่นี้ ไม่ใช่ว่าไปร่างที่อืนเพราะตรงนี้ที่นี่มันสุกระปกทำให้มันสาดจะได้ไม่จะทำไม่ด้กายสุกระปกทำให้ตายสะอาดจะได้ว่าจ่ามันสุกระปกทำให้มันสะาดะไดกียรตใจมันสุกระปกทำให้มันสะอาดจ น, น, นได้เพระาสะสิ่งทั้งหลายนี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อืน่นเห็นก็ไ่ง่าย เนี่ะนั้นได้จะตรวจตาดูของเราก็ได้ไม่ต้องลืมการนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งหมดสั้งแหล้ใครนี่ผิดอะไรมากไหมที่มันถึงที่มันตกประพบ ก, กายมีบ้างไหมตกประพบ ว, วาจาหน้านี้บางไหมตกประพบภายในจิตใจมีบางไหมอันนี้เราจะมอบให้แก่ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของตายเจ้าของวาจาเจ้าของใจนี้ไปตรวจดูเองประพบ เป็นของหนักยากเป็นของไอนงไักลาบากถ้าเราพบอยู่ที่กายของเราพบที่วาาิญญาณของเราพบจีตใจของเราที่สุขสะโพกนั่นนั้นแหละที่ปฏิบัติของของกัรทั้งหลายกายสะโพกก็ทําให้มันสะอาดขึ้นมาคือการงานอันไรที่ไม่ต่อธรรมการงานอัะไรที่ไม่ดีในงานที่การทำทั้งทายนั้นควนถ่ายทอดออกมันสุขสะโพกให้มันสะอาด วาจาของเราอันใดประสารจี่มันเกิดตกปลุกประาทเกที่วีญญาในใจในวาจาของเราเราต้องรู้เรารู้แล้วควละมันค้นถ่ายถอนมันออกไปเรื่องจิตใจของเรานี้พอมันกันแผ่นนั้นที่มันตกกระโตกที่มันสะอาดนี้ไม่มีใครจะรู้ดีกว่าตัวของเราไปรัะนั้นสิ่งทั้งสามประสารนี้จึงคอใ ห, หมอบขันทั้งร้ายเป็นตัวเองไปที่นาวเอง ให้เห็นเองเพราะว่าถ้าสุขประกอบแล้วมันประทุกเองถ้าสะอาดแล้วมันประสบายเองสองอย่างนี้แหละเป็นส่วนมันอยู่ที่สามแต่สามที่กายที่วิชาที่ใจซึ่งพวเราท่านดนั่งอยู่นี่มีซ้อมอยู่แล้วมือทรัพย์พระองข่านทรงสั่งสอนทงาลายแล้วนี่ให้รู้จับ สมศักดิ์คำสอนของสันตระไสวจัปปะปะ ป, ปัจจะอัตรานังพุทธะสุปัมจะปัาสักสิสสะปริโยสะปานังการไม่กระทำความชั่วใดๆทั้งหมดเลยตายว่าใจนั่นเนี่ยเอตังพุท ธ, ธัสสะสันนังอนั้นเป็นดักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนั้นเป็นหน้าที่ของโพรจะประพุทธสิวะเยง กุศลรุภสมปทาเมื่อตายวาจาของเราตายเน้่ยจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสง บ, บแล้วบุญกุศลก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นที่ศาสตร์นั้นสาานัจจิาตาปริโยสะปะนังเราทั้งหลายมาทาําจิตใจของเราเป็นต้นให้หมดความเศ้ามองให้หมดความลังเลหีหมดความสงสัยหมดราคะหมดโทสะหมดโห ม, ดมหันนั้น คิดใจดลบประกอารไสเอตังพุทธศาสนาสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า อ, อันนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาอันนี้จงเอาหัวใจของพุทธศาสนานี้มาตีแตรนา ให้ตั้งอยูนในกายของเจ้าของตั้งอยู่ในวาจาของเจ้าของตั้งอยู่ในใจของเจ้า้องถ้าเราชําระเองทุกข ป, ปกุจจารสัณนีิออกเราเพื่อนชาระเองเราไม่มีใครมาบังคับบัญชาเราอชำระออกทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของเราเราตัดสั่งร้ายดันั้นวันนี้จึงให้พวกเราท่านทางเลตตรวจดูตัวตัว ว, วันนี้อะไรบ้าง มันมีอะไรบ้างในากน า, า, กนาอของเรามีไหมที่วิชาของเรามีไหมที่ใจของเรามีไหมเมื่อเราตรวดสอแล้วเราจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นนั้นถูกต้องบุคคลเรามีการงานหลายอย่างทํากันเป็นกลุ่มเป็นข้อเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นมาย่อมเป็นเหตุให้เราเกิดทุกเราทําอันตรายต่งางๆได้ ให้เดือนเดีอนก็กนดูดจะได้ให้ปีศาคก็ดนดจะได้ให้สมัยก็ดืดทุกอย่างอันนี้เพราะอะไรเพราะความผิดหวังของเรานั่นเองไอ้ความผิดหวังนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเป็นมาปัญหาเป็นมาให้กายเราสุกปนุกให้วาจาเราสุกสนุกให้สิตใจเราสุกปนุกพราเราไม่คิดถึงธรรมะเรื่องใน่คิดถึงธรรมะอันนี้เป็นเหตุมากมายตายออง นนัน้เช่นว่าเราไม่รับรู้คําพูดของบุ้คลอื่นบางสิ่งบางประการเช่นว่าเขาจะดูดูถูกเราเขาจะว่าเราไม่ดีเขานินทาเราเป็นต้นเขาพอใจว่าเราทําผิดอย่างนี้เป็นต้นที่เราเกิเพราะว่าให้เรานะั้นให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเดียดนั้นเรากําลังใน้รับการศึกษา เรวอะไรรับการส่งข้อจากบุคคลอื่นเขาที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นเราควรทําให้เป็นโอปนายโยน้องเข้ามาที่เขาว่านั้นดีหรือไม่ถูกหรือไม่เราควรรับรู้ว่าอันใดมันดีเรากปสุงไว้อันใดที่เขาว่ามันไม่ดีนั้นเราพยยามเสียออกไปเรื่อยๆไปทีนี่การถูกเขามีทางการสูกเขาเสนอนั้น จะเพิ่มคูณประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้หลายเนี่ยเนต้นการินทาแลเนยการเสนอเสือนั้นจะเป็นผลทั้งนั้นเละเมื่อเขาดินทารของเราว่า้เราว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่ดีมีมบางทีมันอาจจะมีสะาดจริงๆ่เกี้ยงออกไปละมันไปเสียที่เขาเสนอเสือนเราอยู่ว่าเราดี มันดีีริงไหมหรือเราไม่ดีอยู่เขารักเราเพราะว่าเราดีเท่านั้นดีและต็ ค, ค่เจริญนาถอย่านั้นเมื่อเรารับรู้เชน่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่รับการสิ้นสลายเวลาตาเรามีหูเรามีจบูกเรามีจรี่นเรามีตายเรามีจิตจะมีอยู่ เมื่อเราสัมผัดสุ้กซ่องเลยบินอยู่ทุกสิ่งทุกประการ น, นี้ก็เรียกว่าเราได้รับการศึกษาทุกเวลาพราะฉะนั้นอาตมาจึงให้ความเห็นว่าวันนี้เป็นมันสุขสงกานควรจะล้างมันออกดี่อน้ำล้างออกนั่นมีจะล้างอะไรล้างอากคติธรรมในความชั่วความผิดทัหลายเมื่อเรามีความเห็นผิดมาแล้วพอทําให้มันสุขที่ เมื่อเรามีความสุขผูกมาแล้วทำไมมันจะอาดเนี่ยธรรมะธรรมสอนของพระพุเทธเจ้าของเราเป็นของไม่ยากฟังง่ายดูง่ายเห็นง่ายแต่ทำยากนี่จริงทำไมถึงทำยากมันไม่เห็นตามจริงจริงถ้าเราเห็นพัดไปแล้วก็เป็นของไม่ยากเห็นพัดอย่างไรการกระทั่ความชั่วมันก็เลยชั่วการกระทั่งผิดมันก็เลยผิดจริงจริ ถ้าใครเห็นความชั่วทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วตามเป็นจริงแล้วเล่าประละัพความชั่วตันทีแม่เชิงก็เชื่อจากที่นั่งมีไฟพอลเลยินความชั่วแล้วหลักตรงนี้เหมือนเราเห็นยาพิษนั้นมันเป็นพิษเมื่อเราออกจากยาพิษรู้จากยาพิษแล้วก็บอกลูกเราบอกหลานเราบอกเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้อย่าไปกินมันเลยกินแล้จะต้องตายอย่างนี้ ถ้เรามาคิดที่นี่แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าขอนั้นเป็นคําสอนที่พระพุง่ายที่สุดไม่ยากขอให้เห็นธรรมะใครเป็นผู้เห็นธรรมะก็เหมือนกับใครคนเห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นกําลังของยาพิษถ้าเราเห็นกําลังของยาพิษเห็นเดชของยาพิษว่ามันเป็นอย่างนั้น ข้อบุคคลนั้น่นเห็นยาพิษปสาศินันตระผู้คนทั้งหลายเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นเหมือนกันจะเห็นยาพิษมเมื่อใครเห็นความชัว่วตามเป็นจริงเทียนนั่นกับคนนั่นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะคนนั่นจงเลิกปัญหาน้อยตัดปัญหาทั้งหลายได้ทุกอย่างพูดประการที่นี่ธรรมะเทียนถึงของช่วยเราช่วยความเพียรอยู่ของเราช่วยชีวิตของเรา ช่วยอะไรใดของเราคุกอย่างคือธรรมะนี้จะนั้นวันนี้ท่านจิงบอกว่าเป็นวันจุดสงการเมื่อมีอะไรตกเสียมันดอกเตี้ยอยากให้มันค้างอยู่นานเมือนการต่แผลที่ร่างกายของเรามาเกิดขึ้นมานั้นเหี่ยหรือว่าน้ําย่อดเข้าเราอย่างเนี้เราจะให้มันดอกเราจะถอนมันวันนี้ด้วยถอนพรุ่งนี้ดีดีตัวด้วยอีกสักอาทิตย์ห น, น, นึ่งจึงถอน หรือเปรียบประหนึ่งว่าวันนี้เราปวดท้องก า, ารปวดท้องของเรามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่อยากจะหายอยจะให้มันหายวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีกว่าด้วยอีกสัจคิดหนึ่งจริงจะให้มันหายถ้าเราเห็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะมันก็นง่ายขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีในกายในวาจาในใจของเรานั้านนะ้ายาให้มันนอนเนื่องไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์ มันทําให้เราเดือดร้อนมันทําให้เราเป็นทุกข์เป็นต้นฉะนั้นแต่พุทธเจออ้าสันติให้ละละสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเรานี้ไม่จะ่ไปบวชเป็นพระไม่จะ่ไปปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้อยู่ในว่าเราก็ได้แต่ว่าให้รู้จักผิดให้รู้จักถูกเพือป ไอความผิดมันเป็นอย่างไรไอ้ความถูกคันเป็นอย่างไรให้รู้จักนี้ถ้าไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักการละไม่รู้จักความผิดก็ไม่รู้จักการละถ้าไม่รู้จักการละก็ทำผิดก็ไม่รู้จักเหมือนกัเหมือนการไปทำบุญของคนส่วนนี้โดยมากคนที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญวันธรรมดาธรรมดายังดีกว่าเลยคนไม่รู้จักรวยกว่าบุญ บุญอยู่นั่นนี่ยทำแล้วก็ดีใจไอ้ความไปชิงนั่นเราทำบาปไม่ใช่เราทำบุญถ้าจะทำบุญชนิดนั่นอยู่ทำราคนเหมือนวันนี้ดีกว่าเ ร, า ร, เร่าคนไปกินสัตว์ไปฆ่าวันนี้วันนี้คือวันทำบุญการไปทำบุญนั่นอย่าพากันดงในบุญบุญนั่นคือความสุขชนิดห น, นึ่งที่มันเกิดขึ้นมาและขอโอกาสด้วยขอโทษดูนัะมันตัวนี้ความสุขได้ แมวก็มีความสุขหน้าเมื่อตัวนักมีความสุขขึ้นเดียวบุนเกิดในสุนัขเมื่อความสุขเกิดขึ้นในแมวได้แมวก็ได้บะบุญเกิดขึ้นในในแมวนั่นเมื่อบุกคลสร้างบุญเฉยๆจนนั้นมีตัณหาเฉยๆจนนั้นก็เป็นคุณนั้นมันการไม่เกิดประโยชน์คือความสุขเนี้ยจัดมันก็มีธรรมะได้มันก็เป็นบุญธรรมะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นบุญธรรมะได้ไม่มีความสุขได้ทุกนั่นเลยดีกว่าบุญ แต่เราไม่คิดเห็นมาเราพูดคำว่าไปสร้างบุญสร้างผู้สนบุญชนิดนั้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่เป็นผู้สนส่วนผู้สนไม่คิดเห็นนั้นไม่พื้นแก่ความสุขอย่างเดียวความสุขอนนี้มันเกิดมาจากอะไรของนี้ได้มาจากอะไรมันเป็นอย่างไรต้องมีปัญญาสอบคลุม ว, ว่าเกิดมาจากอะไรเช่นบุคคลกลุ่มหนึ่งเคยได้คิดว่า ได้มากมากแล้วเนี่ยมันเป็นบุญถ้าไม่ได้นีมันเป็นบาปมันจะได้มาจะได้กว่ช่างมันเถอะขอเช่นว่าได้มากกล้วเนี่ยเป็นบุญนะถ้าอีกเวคาหนึ่งนะในเวลาหนึ่งในการหนึ่งเขาจะเห็นว่าหนังมนุษย์นี่มีราคามากนะมีราคามากจะเลยกิโลหนึ่งหลายหมื่นบาทนะไอ้มีคนกลุ่มมันจะหาตะเวนเอาหนังมนุษย์ เราจะมีที่อยู่กันไหมอืมนี่มันจะมีที่อยู่จะฆ่ามนุษย์เกือนตาโดยเดียวเอาหนังมันไปขายเพราะหนังมนุษย์มีราคาอืมมันเป็นตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นอืมเมื่อบุกคลเราหาเรื่องคิดไปทุกวันนี้จะได้มากมากๆเลยนีถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบมันจะดีไหมถ้าโค้นธรรมะถ้าโรงธรรมะหลอกลวงธรรมะยึดช้าธรรมะไฝบ่าธรรมะมันจะดีไหม ถ้าว่ามันดีเกินนั้นให้เขามาโกงเราจะดีไหมให้เขามาทโมยของเราจะดีไหมทุกอย่างถ้าเราคิดกลับไปกลับมาชนี้จะได้เห็นว่าบุญนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างผูศสนผู้สนนั่นเรียกวความฉลาดผู้ตระโรคืคอความฉลาดคนฉลาดนั่นแหละ คนฉลาดเนี่ยรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบนคือความชนะคนที่มีคนสุกเฉยเฉยนี่ยไม่รู้หราเมันกระหมูอะอยู่ในข้ออะไรมันไม่ฉลาดไรห้หรอืมเ้าอาหารทุ่มเข้าไปด้วยจิ้มตอไปยนท้วนเลยไม่รู้เรื่องว่าเขาเลี้ยงเราไหวอะไรไม่รู้จักขอจะให้มากินให้เราอ้วนๆอย่างแรกนอนสบายเนะ มันไม่นึกถึงว่าอีกีหลายวันนะเลี่ยโลดตะวะโรคตบวะเขาจะมาบรรทุกเข้าไปในเมืองมันไม่เคยคิดเห็นนั้นยางไก่เหมือนกันเราเลี้ยงมันไว้ตอนเช้าก็ข้าวให้กินตอนเย็นก็ข้าวให้กินมันรักเมื่อเจอของเรียกมันมาก็ว่าเป็นกลุ่มมันรักเจอของเ้าเอาข้าวเปลือกประสานโดยให้กินมันสบายอีก เดือนหนึ่งซื้อทิมห้าวันเขาจับตัวมันยกขึก้นมาดูไก่บางคนนึกว่าเออจะขอในรักเขาไอ้คนจริงมันคิดเป็นคนเดียร์ยานไอ้คนเร้างเงินเนี่ยจีกิโลแล้วไอ้ยกตัวไก่ตัวนี้มันจีกิโลแล้วจะได้จีบาทแล้วนี่เจ้าของไก่นึกอย่างนี้ไก่ไม่รู้เรื่องคนนึกว่าเขารักเราแล้วยกนะไม่รู้เรื่องเขาโปรยเขาเปิดสาสาในกากินกักินไปให้ ส่วนมันโตมาหลายกี่ตัวแล้วพอสมควรแล้วอืมเขาวันทุกอะไรบ้านเจ๊กหนึ่งไปยังแย่นะหารการกินกันไปบางตัวไปยังขันสบายไม่รู้เรื่องอ่ะไรไปถึงบ้านเจ๊กนั่นแหละเขาถอนขนคอออกน่ะยังไม่หมดก็าทำห้องสะอาดให้เราอยู่อีกเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ทุกคนไม่รู้จักนี่มันอาศัยบุญอยู่มันอาศัยความสุข เขาให้กินมากมันก็สุขมากให้กินดีมันวกระสุขดีมันไม่รู้จุงนี้คือคนไม่มีปัญญาคนทําบุญสมันรานก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามัาสมันคนไก่กับหมูเท่านั้นแหละหรืจะกรสุขคือเขให้กินดีนอนที่กระสุกก็แน่นแน่แต่วันนั้งไม่เป็นคนนั้นนะตะผู้เจี๊ยบคอนะเอาเนื้อไปกินเม็ดไปได้อันนั้นเนี่ยหมูนะั้นมันก็มีบุญอย่างนั้น ใจเมืเ่อก่อนเลยดูจับบุญอย่างนั้นคือความสุขมนุษย์เราทนายพ้นมาจากนั้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีในงามมันก็มีความสุขมันการโกงได้มาก็มีความสุขโกงมาก็มีความสุขแต่ว่ามันเราของเขามามันไม่สอนดับไม่เป็นสัมมาชีวะอันนั้นก็ไม่ดีมีแค่นั้ น, นาการกระทำบุญนั้นให้หนึกว่า บ, บุญกู้สนบุญกู้สนนี่ถึงเป็นคู่เทียงกันไปนี่เป็นปลา บุญนี้ก็เหมือนกันกัะเนื้อผู้สนวกนก็นกนเหมือนการกระเรือถ้ามีเจเนื้อเปล่าก็เน่าหมดเะ่านั้นแหละถ้ามีเกลือเข้ามาขยำเข้าเนื้อนั้นก็ไม่เน่าชั้นใดกับันนั้นการกระทําความดีทั้งหลายนี่สมมติกันฉันนั้นจะต้องมีปัญญาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดีไม่มีปัญญานี่ดีไม่มีปัญญาดีนั่นต้มีโทษดีมีปัญญาดีนั่นกราบจักรโทษ ดีที่ไม่มีปัญญานั่นเป็นดีนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คําสอนของโสภุสชาของเราดีเช่นนั้นตัวเราก็เลยว่าดีเหมือนยาพิษี่มันดีดีเหมือนบุรุษูซิโอตนาขายยาพิษยาพิษของข้าอย่างนี้ให้มนุษย์กินก็าตายให้มนุษย์กินก็าตายให้ไก่กินก็าตายให้ตัดทั้งไม้กินตายเชนั้นเยอะหรือเช่นไม่ซื้อยาของของขันยาดี อาหารมันดียังแน่จริงไหมก็ให้คนขายยากินยาติดถ้ามันดีนะแต่ว่ายามันดีดีแต่ว่ามันตายอะไรกินก็ตายก็ตายเขาเรียกว่ามันดีถ้ามันดีใครจะคล้องขายยากินจะกินไหมไม่กินอีกแต่วพราะตัวเราจะตายดีนั้นดีดีนอกพุทธศาสแต่นาดีอันนั้นดีมีโทษดีสุขสงบดีไม่สะอาดดีไม่เนงบ ดีในทางพุทธศาสนานี่ดีปราศจากโทษการกระทำบุญในพุทธศาสนานี้่สมือนกันนั้นทาบุญต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญานี้เมื่ออะไรทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอืมที่เรียว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้มิฉะนั้นอันนี้ถ้ายังไม่มีในวันนี้ขอพยายามให้มีขึ้นไอความโง่ทั้งหลายที่คิดในถึงในใจของเรานั้น ก็เสียมันออกไปอือบุคคลเราเกิดมาควรรับทุกสิ่งทุกอย่างสอนทําสอนของคนทำพูดของคนทุกอย่างควรรับรองควรฟังฟังมันจะถูกเจ้าควรต้องฟังมันจะผิดเราก็รต้องฟังฟังไปเพื่ออะไรเพื่อป ร, รับความ ร, รู้เมื่ออันนี้มันผิดเรากวเอาไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงคือละมันทิ้งเี้อืม เมื่อมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อบางเปลี่ยนเปลี่มาเสียเหมือนการเราเห็นของสตุปปุกมีของสตุปปุกเราต้องรู้ทุกปปุกมันอยู่ตรงไหนที่สาดไปอยู่ตรงนั้นไอ้ความผิดตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ความถูกไปอยู่ตรงนั้นที่นั่นคเราทันไหนเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่านอยู่ด้วยมีื่อยทุกวันทุกเวลาบาปปุ่งคนโทษมันเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนยทุกวันตุกวันเราก็เห็นอยู่เป็นี้เป็นต้น ชีวที่มันผ่านมานั้นกับชีวิตติต่อไปนี้คนตรงเหมือนกันมันจะแตกต่างแค่ว่าเราเปลี่ยนจิตใจมีความรู้ความเห็นขึ้นมาฉะนั้นอาจจะมาที่ให้ท่านฟังแมาพิจารณาอันใดที่มันสกปรกอันนั้นจะไปเช็ออกเปลี่ยมันดอกเบี่ยทางกายก็ดีทางราจาก็ดีทางจิตใจพอดีอันใดที่มันสะอาดแล้วก็เพิ่มโพลมันสะอาด ให้มันสะอาดสวยงดงามถ้าเราทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งสวงนี้ถ้าเราทั้งหลายมาลงสู่ธรรมะเส่อมนีเนี่ยอาจจะมาว่าบ้านเมืองเรานี่ยจะสงบเดี๋ยวอื่นสงบมากเพราะคนาศาสตร์ศาสตร์ธรรมะไม่สนใจในธรรมะไอ้ธรรมะนี่เป็นของมีคุณค่าหรือว่าเกินถ้าเราเข้าใจเราทำไม่ได้ไม่ได้ทำคลุมชั่วอไม่ได้ทําได้เป็นสิ่งทมันดีเท่นั้น ทุกวันนี้คนมีานธรรมะเยอะไปอ่านธรรมะพูดธรรมะมากแต่คนปฏิบัติไม่คนน่อยมีเชนไปพูดบ่อยๆอัตมาก็เคยได้ยินม่อยๆว่าอย่าเห็นแก่ตัวกันอย่าเห็นแก่ตัวกันพูดอย่างนี้หลายมากจิตจแต่ว่าข้างในมันก็จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเมื่อความเห็นแก่ตัวเช่นนี้อยู่พูดธรรมะออกไปไม่เป็นประยพูดความดีไปนี่เป็นประโยชน์เแม่เจ้าพ่อย่างยิ่งกว่ายางอัตมาเลยแหละ เป็นครูเป็นอาจารย์บางคนหรือญาติโยมทั้งหลายนั่น เ, นเป็นต้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบที่ดีของมนุษย์ทั้งหลายเป็ น, นั้นอันนี้ควรที่นี่ควรพิจรารณาสิ่งทั้งหลายเรานี้ให้มันเกิดขึ้นมากอันใดที่มันดีทำดีไปแล้วพูดดีไปแล้วทำดีแต่อันนั้นมีอำนาจมีอำนาจมากเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าไปนหน่อยหนึ่งในทางใจของเรามันทางละเอียดคนไม่ไปเห็นเป็นต้น การประพฤติปฏิบัติธรรมานี้ถ้าหากว่าเราพูดให้มันดีฟังให้มันดีแเราจะไดเห็นว่าการจะทําบุญการการทาความดีนี้เมื่อนึกว่าจะทํามันก็ได้การจะทําความชั่วก็เหมือนนึกว่าจะทํามันก็หาทางและเดือดร้อนไปมาแล้วได้มาแล้วฉะนั้นการทําดีกอได้ดีการทําชั่วกว็ได้ชั่วคํานี้ยังมี เหตุผลยังมีคุณค่าราคาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลที่มีปัญญาถ้ า, าว่าคนไม่มีปัญญาแล้วคาที่ว่าทําดีก็เลยดีดทําชั่วกว็เลยชั่วนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยถึวันนี้เพราะเราเห็นว่าคนทําชั่วก็เยดีเยอะคนทําดีก็เลชั่วกวามากอย่างนี้เขาเก่งไปถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธศาสนาอันนี้ไม่แน่นอนไม่จริงผมทําดีมาเยอะเกินมันเคยได้ดีเลย ทำงา น, น, น, นมานักจริงน เ, นเงินเดือนมันกจะขึ้นนะเขาประมันวานคือเนี่ยเงินเดือนต้องรีบออกหน้าแล้วเกลียดใจเดือนคืนอยา่าค้นไปทวงมันคือเราทําการงานอะไรเราก็ให้มันดีในการงานตอนนั น, นชั่วในการงานเราทําที่การงานของเราหน่อยทําไปเถอะเนี่มันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนอย่าไปทวงมันถ้าทวงแล้วมันน้อยใจเลยแม้คนอื่นมาสุดังเรารี่งออกหน้าเราทีเดียวนะ เราอยานี่นุนนานเนี่ยเหลือเกินคิดอาภัพใจไม่สบายเมื่อเป็นทองมันทุกทีทุกขึ้นทุกทีเมื่อเป็นทวงมันทุกทีไม่ดีขึ้นทุกทีเกิดไม่ดีขึ้นในใจของเจ้าของแล้วเกิดคิดอาภัพอับจนไปเช่นนั้นอันนี้ก็ให้ทำไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงคราวถึงเวลามันมันกินเกิมาได้เพาราะการกระทําเงินเดือนไม่ดีทําการงานนี้ให้มันดีขึ้นมาเด็กมันจะดีขึ้นที่ตรงนี้ มันไม่ไปดีอยู่ที่ขอลองเอามันดีที่การกระทำนี้การกระทำดีนี่แหละมันจะให้ดีน่ไม่ใช่ที่อื่นถ้ามันดีไปเจอทํามันม้าเจอไม่มีใครให้เงินเดือนขึ้นเล้วก็ได้ความดีของเรามันไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เสียหายทำมาหนี้มันก็ดีดียดเรื่อยๆไปอย่าง น, น้อยที่สุดจะเป็นคนรวยะรวยความหมดทนรวยความสงบสงับรวยความดี ร้อยสิ่งที่ไม่มีโทดทั้งหลายท่านเรียกมหาบุญนั้นอันนี้ควรอาไปพิจารณาฉะนั้นสพียงบรรจุต้องการสิ่งนี้ควรฝ่ายเทมันควรมองรูปอดีตที่เรา ด, ดําเนินงานการบ้างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมที่เราทรํามันนั้นมันผิดไหมมันถูกไหมมีอะไรแก้ไขไหมที่เราจะทําต่อไปทางหน้านี่การ ง, งานเราจะทํำยังไงไหมมันจะถูกไหมมันจะติดไห ม, ม อะไรเป็นส่วนให้พินิให้พิจารณาเมื่ออ า, าการกระทำผิดเพื่อทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ทำผิดมันแก้ไต่ได้พระพุทธเจ้าตรัตสอนว่าไอ้ความผิดหนะ้าเล็กๆน้อยๆเมื่อข้ามมันไปในระยะให้มันไอ้ความดีนน้อยๆตัว น, นีกว่าญาติญยติเข้าใจว่ามันจะมาแห่ผลมันจะต้องแห่ผลเพื่ออะไรมันเกินได้ไอ้ความดีกับความชั่อันนี้อ มันเป็นเช่นนี้ไอ่ความดีน้อยอือย่าพึงหวังมันไลยดีอืยความชั่วในน้อยอย่าพึงวังมันไม่เหตุผเราอย่าไปเข้าใจผิดนั่นไอ้ของที่มันใหญ่มันโตมานี่มันเกิดจากของเล็กๆน้อยๆอย่างชีวิตของเราอายุของเราเพิ่มมาเลห้าสิบหกสิบสี่สิบเนี่ยมันส้องนับมันจะเป็นในคันกเป็นหนึ่งวัน หนึ่งนาทีหนึ่งีินาทีมาตลอดนานนั่ น, นโตขึ้นมาเพราะความล็กอันนี้็รงมันการ น, นั้นผู้มีปัญญาแล้วเมื่อการงานหรือหน้าที่ของเจ้าของนั้นไม่มีโทษและรักบายใอ้ความดีทำแล้วไอ้ตำที่ไม่ดีทำแล้วเดือดร้อนภายหลังการงานอะไรทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังตานั้นไม่ดี ทำอะไรที่เราทำโดยกายแล้วโดวยวาจาแล้วโดยใจแล้วภายหลังไม่เดือดต้อนทำนั่นดีอือันนี้จริงหรือไม่ก็รู้ว่าเถอะถ้าทําอะไรไม่ค่อยดีแล้วมันมันเดือดต้อนภายหลังแคนั้นจริงไหมมองถึงธรรมะธรรมะไม่นอยู่ที่ตัวของเราถ้าอยู่ที่ตัวของเราแล้วพิจาณาธรรมะเรารู้จากดีชั่วทั้งหลายทั้งนั้ น, <S <S 2> <S 2> นกนารกระทำกลมชัว่วการกระทํำกลมอย่าไปมองคนอื่นเลย จะทำความชัว่วจะมองมองคนดีนะจ๊ะเมื่อคนดีมีมือเราจะไปทำนี่จะไปคิดกันนะทำไมถ้องเป็นฮะตัวนายจะเห็นตัวคนดีจะรู้ตัวใครจะรู้ตัวคนจะเห็นเราถูบอกไปทําคนเดียวจะดีตัวนี่คนโง่ก็จะเป็นอย่างนี้นึกว่าไปทําคนเดียวก็นึกว่าคนไม่ดีไปทำเนี่นใครจะทํำเนี่ยคนจะไปไม่รู้ เราก็เป็นคนในดูเรื่องอันนม้นมันดูถูกตัวเจ้าของจะแล้วเ่าไปทำอยู่ที่ไหนก็เราทำํำเ้าทํายู่ที่ไหนคนก็เห็นคนแต่คนก็คือเราไม่ใช่คนคนอื่นถ้าเราเห็นเค่นนี้เนี่ยไปทำที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําอะไรอะไรแล้ว่าสูขส่องจำธรรมะมันสบายใจนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายความสบายเบบนนี้มันจะมีเงินล้านเงินป่วยไปชังมันเถอมะมีมาดำมาเดือนร้อนนั้น ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีบ้านหนังใหญ่โตๆเพจริงแฉมันเดือดร้อนอะไรทุกสินทุกอย่างวุ่นวายนั่นอันนั้นน่ะอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันไม่เกิดประโยชน์เลยเราทา ง, งานทุกวันนี่พอมีพอจินพอใช้พอสมควรแล้วนะอันนี้ก็นนกสามีภรรยามีความเห็นถูกต้องไปแล้วตุ้มเปลี่ยวกันเนี่ยอยู่นั่นก็พอสบายแล้วสบาย แต่ความคิดสองคนมันย่อมเป็นอย่างนี้นะถ่าจนเนีย่ยอยากรวยถ้ารวยแล้อยากจนอีกไปตามเหตุมันจนไปอีกทาไมถึงเป็นเช่นนั้นลนะ่ะขั้งแรกมันจนอยหาเงินหาทองก็รวยกันมาเมื่อรวยเกินมาพอรูมีบ้านดังนี้ก็อยากมีบ้านดังนั่นอีกมีรถคันนี้อยากมีรถคันนั่นอีก ม, ม, มีเมียคนนี้มีกก็อยากมีเนียคนนั่นอีก ที่มีแสดงฮาตุไม่ดมีแล้วบุญอีเนี่ยเนี่ยนี่เรียกว่าคนดึงตัวของเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นเราสรรคุตีจกไห้ควา ม, มดีในของที่นี่อยู่นั่นเนี่ยเป็นสาหาเดชีิที่พระพุทธเจ้าพันธส่วนไว้ใหฉะนั้นวันนี้ที่ให้โอวาสแก่ญาติโยมทั้งหลายอืขึ้นเป็นผู้มีเสียทั้งหลายมานั่งฟังโอวาทวันนี้ ถ้าหากว่าอันใดที่มันผิดพาดในทุนกิจธนาหมายของสัตว์ต่างายนั้นธธพอจะให้อภัยเรื่องแล้วจริงที่มันดีนั้นเป็นประสุปฏิบัติอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะในยากตั้งง่ายๆแต่ว่าปฏิบัติยากสักหน่อยแต่ว่าถ้าใครเห็นโทษมันอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติง่ายสิ่งมันทันทีสิ่งสันที นะมันเป็นแค่นั้นเหมือนกันแอบคนเห็นความจริงได้เห็นความจริงนั้นไม่ย่อมพิ้งเหมือนคนเหมือนบุรุษก็ไปตุ่ปลานะไปตุ่ปลาตุ่มปลาเนะี่ยเมื่อตุมลงไนะนะปลแล้ว่เอามือร่วงลงไปทำดูไปจับตักอันหนึ่งดีกค่ค่ายงูแค่ค่ายปลาไหลสงสัยเนี่ย จะจับมันให้ก็ตัวมันจะตัดตัวมันจะเป็นงูจะทิ่งมันก็ตัวมันจะเป็นปลาไหลนะสองอย่างก็เลยทั้งตัวทั้งเอานะพอดีจับมันจะมาจับขึ้นมาเมื่อมันคนน้ำเป็นมาแล้วเห็นแสกคอมันเลยวางทุกเป็นงูไม่มีใครบอกเลยนั่นมันง่ายที่สุดถ้ามันเป็นอันตรายเพราะว่างูนะมันตัดคน ถ้าเห็นเรามันเป็นมูลชัดเจนเนี่ยผมวางทันทีเลยไม่มีใครบอกเลยตัวเราก็บอกคนในทางเนี่ยมันบอกว่าอะไรก็วในที่จักของมันถ้าเห e e ็นเป็นบาปเป็นอกุศลต่างหลายและคิดเห็นอย่างนันก็วางทันทีอันนี้ง่ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นโทษมันเนี่ยเราต้องีออกมาได้ขนนั้นอันใดเรายังไม่เห็นโทษมันนั่งซึมซต่างๆอย่างนั้นก็เป็นยากหน่อยเสมอต้องติดนานจะต้องภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลในวันนี้สําหรับในบัจจุสงสาร ที่ปรชันทัญไยมารัโอวาทวันนี้ผลสสิน้นนี้ขออธรรมโอวาทตามต่งสอนอนี้ให้โปรันทัญไรนใทนที่นิ้ในสิ่งตอหน้าอันใดมันสมควรแก่โกรันทัลารแลประนามมาปฤปิปฏิบัติในสมควรเหมาะตับตากับเกลาของเจ้าของในผลสืบสินี้โดยอนาตแห่งคุณปิรชนตระายอันนี้ขอโปรชันทัญรทรงพงะสันติเยนเชิญสุข พระสุภธรรมพระองค์พระเดาสชพระเจ้า ข, ข, ของเราสระราชานคือเขาเข้าใจหรือว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคืออะไรมันก็มีเมืองไทนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเมืองไทยพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือคือใครที่พระเจ้าเกิดทำสัตว์แล้วนั่นให้ไปสวรรค์ทําคนนี้ให้ดีอะไรเงี้ยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยตอก็คืออะไร อย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเอไอ้ที่ช่วยให้คนได้ก็คือความดีธรรมะก็คือความดีเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ามาพูดไปถึงพระเจ้าเดีวมันจะเป็นตัวเป็นตนย่งไงเนี่ยมันก็เป็นภูกราธิบฐานไปแล้วจิตไม่จมลงไปในนั้นอย่างนี้ที่ว่าพระเจ้าจไม่ช่วย เราทำไม่ดีธรรมะก็ไม่ช่วยเราเราทำดีก็คือความดีช่วยเราคือพระเจ้าช่วยเราเราทำไม่ดีก็คือเราทำไม่ดีคือมีความเสียหายเกิดไม่ดีขึ้นก็คือพระเจ้ามาช่วยพูดัน ง, ง, ง่ายๆแล้วจะพะจิจารณาเห็นชัดเจ น, เนย อ, อย่างนั้นพระเจ้าก็คือธรรมะ ให้ที่แท้จริงนั่นเองเนี่ยนี่อยู่ในพุทธศาสนานี่ก็มีพระเจ้าเหมือนกัน อ, อยู่นั่นก็มีพระเจ้าเหมือนกันแต่ไปสมมุติว่าอันนั้นพระเจ้าพิดอันนี้พระเจ้าพูดเท่านั้นเนี่ยในความเป็จริงพระเจ้าทั้งสองอย่างนี้ก็ช่วยคนได้คือคือทําความดีแล้วมันก็มีความดีเกิดขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าช่วย ถ้าทำความเสียหายก็ความไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ช่วยนั่นคือตัวพระเจ้าอยากแค่จริงๆก็พิจารณาเห็นในใจล้วก็ได้า่ ว, วาอนี้ก็แอกในทางอน่านเห็นธรรมะอย่าง น, านั้นอย่างเดียวก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยพร ะ, ะอหังปัญจสาตก ร, ราณนาวนารานี่ก็คือล่างบาสนะเห็นไห เราล่างบาปแต่ว่าล่างบาปก็คือพูดคนนั้นหยุดเแฉมันก็ไม่มีบาปนะถ้าเราไม่หยุดกอแสดงหั่นฟันเตสําุราไม่ได้เหมือนกันถ้าเจ้าไม่ช่วยมันกันพูดไม่จริงเอออย่างนี้ถ้าหั่ว่ า, าแสดงอาบัดออกหมดแฉนี่ก็นี่มาล่างบาปก็ได้ไม่นี่นี่เด็ก ว, ว่ากินขนุ้มปังล่างบาปมันเป็นทีๆอย่างนั้นมันกั้นกันนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็เดียวว่าธรรมะอันเดียวกันทั้งนั้นเอง แต่คนจะแยกออกนะแต่ว่าเราจะทัดชัดจริงๆเิงเคลวะเ่นว่ า, วาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า พ, พ, พระโคดวมพระพุทธเจ้าเหลานี้ก็ดูได้แต่ว่าจะจริงก็ไม่จริงก็มไม่รู้นะมันไม่เห็นชัดในใจถ้าเรามาพิจารณาเรื่องในใจของเราธรรมะมจริงใน ใ, นใจเราเราจริงจะเงเฉอว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยอ องนั้นเนี่ยเป็นภูกราดิษฐานอันนี้มันเป็นธรรมาที่ฐานที่แท้จริงเนี่ยได้เรายืนยันเป็นพยานในตัวของเราได้อย่างนี้อช่ใช่ให้อุตโมก็าพิจารณาดูดิของที่ไม่ของเนี้ยมันถูกต้องแล้วก็ทําไมล่ะคือเรียกว่าอันนี้มันก็พูดยากเอนกันนะอ่มันมันมันมันก็พูดยากเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องรักที่เรื่องศาสนาที่ถูกต้องจริงๆน่ยมันเหมือนกัน ให้พ้นทุกในเงืือนกันทั้งนั้นแต่ว่าอมันคิดเนี่ยมันพุทเนี่ยมันมันแยกกันเลยแต่ที่เนี่ยแอ่คิดเนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระเจ้าคือธรรมะนีไม่ได้เหมืนกันถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขนมมากินเนี่ยมันล่างบาปไม่ได้แล้วเนี่ย น, นะ อแต่ามาคลิกคลิกเข้ากันเพราะมาคลิกกับพุทธเนี่ยเอคิดกับพุทธนี่มันอันเดียวเท่านั้นน่พระเจ้ากับพระพุทธเจ้ามันก็พระเจ้าอันเดียวกาแต่ว่าไอ้ออออพระเจ้าอย่างแท้จริงคือเป็นประะมาจิตก็เดียวกับธรรมะทำดีก็ได้ดีจิงทำชั่วก็ชั่วจริงอย่างนั้นอืมแต่ว่า ถ้าหากว่าเราทํามันสงสัยอยู่นี่ก็เนี่ยจะมาให้ถึงพระพุทธประธรรประสงค์นี้ก็ให้ทิ้งหรือย้าให้มันสงสัยกับอะไรเลยนั่นน่ะนี่มันจะช่วยอย่างเต็มที่เลยมันไม่ต้องดีคิดช้าอืมแล้วเราจะทําอย่างนี้เออมันขัดต่อพุทธเราจะทําอย่างนี้โอ้มันขัดต่อทิศมันได้ยุ่งในใจของเราอยู่เนี่ยอืมมันอยู่งอย่างงี้นะจ้าว่าท่านจะให้ตรัสอะไรออกให้หมดคะ ยังชาญอยู่พอดีวาดเพื่อ้ชะพักิตอันนี้ให้มันออกมาก็จะบําเพ็ญทางนี้ให้มันทางเดียวเท่านั้นะหมดสงสัยเนี่ยเรื่องตรีตรีไม่ไ ด, ไมได้มันก็แสดงว่ามัน อ, อที่มันมองเห็นด้วยตาแต่ภายในมัน ม, มันขัดที่จังหวะที่เรากระทากันอยู่เนี่ยออะถ้าว่าเราทํำจิตให้พ้นจากทุกข์เนี่ยมันก็พ้นไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอยู่กับพวกทุกจริงๆถ้าไม่หยุดอย่างนี้ก็ไม่ได้ อย่างเราจะไปอยู่ก็พอคิดทํามันหยุดฟุดก็ไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันเท่นี้แต่วท่ที่ได้คนคนึงที่ได้คนคนมีศรัทธาเทิดที่ได้แต่ก็ถึง่แกออกจากนี้ไปแก่จำมันรู้ธรรมะให้มันให้มันให้มันให้มันรูน้จักธรรมะจริงๆแล้วรู้จักทางคนทุกข์กับคนทุกข์ได้แต่มาอยู่ในพวกอย่างนี้มันสงสัยกันเลยนี่ยอย่างนั้น อยังอยัง เ, เป็ดเซกหรือประเซกยัยงไงจะพูดกันไหนรู้ ร, รู้เรื่องกันแต่มันติดตรงนี้ติดตรงพิวาเนี่ยประเซกถ้าวันนั้นเขาท ำ, ทำาค น, นทํามานเนี่ยปวด้านมัดเนเขาก็ไปกวดช่วยวได้ได้ค้ว่าทำมีในบุญไหมเขาไม่ไดีเนะีย ทำอย่างนี้ได้บุญไหมถ้าเกิด น, นึกคิดผมไม่รู้บุญแต่ว่าทำอย่างนี้มันเป็นประโยชนย์เด็กประธมัมมันก็บุญนั่นนะ่ะนะเอต้หมายมเป็นบุญแกไอ้คำที่ชื่อว่าบุญยังไงนะถ้าว่าเราสึกไปอย่างเนี้ย สึกฝ่ายเราไปบัิในรูปอันนี้เ่า่มันไม่ขัดกันตรง น, นั้นค่อยๆก็พูดอย่างหนึง่งใจอย่างหนึง่งการพูดอย่างหนึ่งจะทำใจอย่างหนึง่งแต่นี่ ว, ว่าเราพูดว่าเราเราเป็นคริสเราเป็นคริสนี่เนี่ยพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเราเห็นธรรมเป็นพุทธมันพูดอย่างใจอย่างพูดอย่างใจอย่าง ต้องก็เป็นสองข้างเเนี่ยเหมือนกันเอเหยียบเรือสองแคมเนี่ยเออะออเอความรังใดสงสัยดีจีกิตฉามันเกิดขึ้นเแต่มันไม่สมบูรณ์ความเป็นจริงนิดใสแก่ดีดีคิดใสแก่ดีไปมาอะไรดี<อ>ผมชอบด้วยใสคิดใสแกถ้าหากว่าท่านเรื่ อ, าาองก็แกก็รูร้ธรรมะเร็วขึ้น เ, เดี๋ยวนี้ก็มันแต่มันมั น, มนรู้ธรรมะเหมือนกันที่นี่เ ร, เราเราเรามาบอกเป็นข้างนี่ เยชูคริสเห็นทำไมตังเกลียดเลยตั้งเกลียดไหมโอ้โใช่ เนี่ยที่ไม่เข้าใจนั่นแหละดีไม่ได้ติอะไรดีเห็นดีแต่ว่าอยู่ไปงี้ก่อนเรื่อยๆไปไม่ต้องอะไรอยู่ไปให้มันสบายใจยให้ใอยู่ไปเรื่อยซะก่อนให้แกรู้จักธรรมะให้มันซึ้งดีๆก่อนอ S <S <an> <S ยังหยุดเน้นตะก่อนอย่าเพิ่งพูดจะไปถึงนั้นอยู่ไปนี้ก่อน่ะว่าให้เรียบร้อยว่ามีจริงเราสงสัยแต่ว่าคนเรียบร้อยนอกจากว่าคนนอกพุทธศาสนาได้ไหมเนี่ยได้ไหม แต่ติดปีนติดญ cool. yeah. mm hmm. right? cool. no ี่ป right? ุ่นที่นี่อมันปฏิบัติศาสนาทุกหลายปีมาแข่มันจะมันเนืองนอกพุทธศาสนานี้เมื่อพูดคํานี้ลงไปกันนอกพุทธศาสนานี้ถ้าพูดความเป็นจริงมันพูดถึงความเห็นไม่พูดถึงเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ ถ้าพูดตามธรรมะจริงๆนะคือกิตนี่ยมันเห็นตามพุทธศาสนาการตัู้ตามพุทธศาสนาได้แต่เขาก็เอาเครื่องแต่งตัวนี่ประกอบด้วยอันนี้เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวก็ะกอบกับไปแต่ว่าที่เราไปทำํำเราไปทําคลิดจ้ะแต่เครื่องแต่งตัวอันนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเป็นปิดผมว่าเป็นไก่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะ จะเรียกว่าไก่ก็เหมือนเหมือนเป็ดจะเรียกว่าเป็ดมันก็เหมือนไก่อย่างนี้ตัวเป็นเป็ดสีสาเป็นไก่หมายความว่าอย่าง้นถ้าเราไปรู้จักว่าตัวมันเป็นเป็ดสีสามันเหมือนเหมือนไก่ล้วก็ไปเห็นเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่นอะมันจะเป็นอย่างนั้คือความเป็นจริงท่านในบริสุทธ์กายวาจาใจ บริสุทธ์กายวาจาใจกายทําดีอยู่เค่ว่าจิตบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อย่างนี้นะต้องคิตก็ต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์แต่านี้ท่านให้ให้ให้มันให้มันเสมุนกันอย่างนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ฉันใจฉันบริสุทธิ์อยู่ถึงฉันไปด่าท่านก็ดีฉันยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีทางแก้ตัว ถึงฉันจะขโมยของท่านมาฉันไปยังมีความบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันฟังยากนะเนี่ยมันฟังยากเราไปขโมยของคนแต่จิตฉันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันฟังยากอคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ไม่ต้องไปขโมยของใครอย่างนี้เรามองดูกายวาจาใจมันเรียบร้อยตรงกันเป็นวัด เอ้ตรงนี้ยไ อ, อตรงนี้มันตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงตรงนี้มองดาลับตรงนี้มันตรงเราจะไม่นับถืออันใดอื่นอืมเราจะมายึดถืออะไร ย, ยิ่งขวาพระพุทธพระธรรมสูงแต่ว่านับถือพ่อแม่ก็นับถืออยู่นับถือเพื่อนฝูงก็นับถืออยู่แต่ไม่ยิ่ง กลัวพุทธศาสนาทางคนกับทางสัตว์ของศาสนาไปมันเนาะอยากจะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก็เพื่อให้ทำความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาให้มันให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นบางทีแล้วก็เหี่ยงบางทีมันเมื่อมันเห็นชัดมันก็วางเองกระไรต่างกันไหมคริสกับพุทธีต่างกันไหม เปล่าเรื่องจิตใจนะการปฏิบัตินะในาสการปฏิบัติมีปาวัตรมีตาวัตรี่ามิตรจารกันตางดยยังสุขสมมมมีมิายัยัง เราสามารถที่จะปฏิบัติเป็นการชื่อเชื่อระดับเนะันดไหการปฏิบัติเป็นความพากเพียรของคุการปฏิบัติเป็นความเชื่อระดับความเขาจระดับืัอย่างขอเชิญน ทำยังไงถึงไปเจอพระเจ้าเป็นรูปยังไงเป็นสั้นฐานใหญ่ไหมสูงไมคุณัามวงพาียาะรฮะ ไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแหละบริสุทธิ์ท่านนั่นแหละี่นี่นี่มันมันมันมันถูกธรรมะดักเปีโยคกันเนี่ยเก็มาคนใเซ็นในสายอย่นีนี่มันก็เป็นธรรมะนั่นแหละเออนก็เป็นธรรมะนั่นแหละคือเป็นธรรมะมันไปถึงอันเดียวเ่ัน แต่ว่าถึงอันเดียวกันก็ต้องเรียกว่าเขาเห็นว่ามันเป็นในทางอันเดียวกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้อันเดียวกันแต่ไม่ให้มีสองปฏิบัติให้เป็นหนึ่งปฏิบัติเป็นหนึ่งถ้อว่าถ้าร่อ ใช่คุณทำอยู่งนันะในตรง้นไม่ใช่ไปนาไไม่ทำปีีด้เลิกแต่ยังสรงนันเลิกยังอะรตรงอกนอ่เลิกเขาจะทำได้ไหมเราไปปีนาตรงนี้อยู่ไม่ไม่จะอยู่ไปเฉย เราอยู่ไปต้องการความรู้จักว่ามันเป็นยังไงไหมคลิสพุทธเนี่ยภาวนาดูที่ว่าถ้าว่าตรงนี้เราไม่กินขนมฟังเราไม่กินเหล้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมในร่างกายของเราเนี่ยหรือในจิตใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมยอย่างนี้นั่อจะเปพิจายรณาเหตุผลมันคือให้อยู่ไปเพื่อให้พิจายรณาวิจัยอันนี้ให้มันให้แจ ร, ริญรู้ซึ่งธรรมสูงกว่านี้จะได้เห็นอันนี้ชัดเท่านั้นแหละ ร่างกายใ ห, ให้ให้เวลาเวลาแกอยู่ให้เวลาแก้พิจารณาเรื่องนี้ให้มันตกแตกนะจให้มันมีเดตุผลเมื่อแกจะสึกจะเอามีบาตรหลวงมันต้องเนีบวชให้เดอะจะได้เป็นบาตหลวงต้องบวชให้เดอกจะได้เป็นฆ่าเงี้ยต้องบวชนะมั้ยอันนี้จะได้เป็นบาทรหลวงต้องบวชบาตรหลวงไหม เป็นไม่ไม่ไม <â> ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ึกเป็นบาตรหลวงไม่ได <Brook ha an> ้ึกเป็นบาตรหลวงไม่ได้ไม่ได้ศึกจากจากบาตรหลวงไม่ได้สึกเป็นบาตรหลวงก็เรียกว่าศึกนี้พูดนี่ศึกไปเป็นบาตรหลวงเงินจรงเออยังไม่ได้สึกจากบาตรหลวงไม่ไม่ได้ระ้ศึกจากพระเจ้ไม่ได้ศึกจากพะเจ้า ยากเนาะเกิดมาในโลกนะียากเนาะ